คือท่านพระโมคคราชเนี่ยนะพอจบอชิตะมานพท่านก็ถามพระองค์ไม่ตอบ น, นะนะเพราะว่าอินทรีย์ยังไม่แข่กล้าต่อก็ไม่บรรลุเนี่ยนะพอท่านที่สองถามปัญหาอีกพระองค์ก็ไม่ตอบอีกนียนะก็รอต่อจนกว่ามาถึงระดับเนี่ยเลยถามปัญหาเป็นครั้งที่สามัน้นเขาได้ฟังมาว่าถ้าถามถึงครั้งที่สามแล้วพระองค์จะตอบว่างั้นตอนนี้อินทรีย์แก่กล้าละ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 คำว่าที่ท่ามกลางเนี่ยนะกลางตาเนี่ยมีสีดำดาดีไม่มัวมองดำสนิทหน้าดูหน้าชมเหมือนสีอิฐแก่ไฟที่ถัดนั้นเข้าไปมีสีขาวขาวดีขาวล้วนขาวผ่องหน้าดูหน้าชมเหมือนสีดาวประกายพรึกก็ภาษารีบที่ท่านดูพระผู้มีพระภาคดูละเอียด น, ยนะนะดูเจาะลึกไปในแววตาเลยมัน แล้วก็พิจารณาถึงสมุธฐานด้วยนะว่าตาของพระผู้มีพระภาคมีอะไรเป็นสมุธฐานว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมังสะจกสักษุเป็นปกตินั้นน่ะเนื่องในพระอัตาภาพอันเกิดขึ้นเพราะสุดจิริกรรมในพภพกรก็พิจารณารูปพร้อมทั้งสมุธฐานเนี่ยนะย่อมทอดพระเนตรเห็นตลอดที่โยชนหึ่งโดยรอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอันสิกรอบโดยรัศมีเนี่ยนะอยู่ตรงไหนก็เห็นหมดอนะ่ะ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 หากว่าบุคคลพึงเอ า, มาเมล็ดงานหนมล็ดหนึ่งเนี่ยนะเป็นเครื่องหม้ยใสยลงในเกวียวสาหรับบรรทุกงานบุคคลนั้นเพึงเอ า, มาเมล็ดงานนั้นขึ้นมังสวิาจักสุเป็นปกติของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยมังสะจักสุอย่างนี้แสดงว่าเอกเสรได้สบายๆเลยนะถ้าตายขนาดนี้เอกเสรสบายๆเลยนะไม่ต้องใช้เครื่องแล้วความใสของตาเนี่ยนะ เขาดูภูเขายังดูทะลุเลยอ่ะจะกล่าวไปยายแค่ร่างกายบอบบางขนาดนี้นะท่านพระองค์นี่ก็เห็นหมดโดยรอบมังสะจักษุแม้กระทั่งกลางคืนมืดยังดูได้อ่ะนนะ่วางมเมล็ดงานเนี่ยเก็บของในกระดังมืดเนี่ยนะให้ฟองไปหยิบหยิบมาได้สบายๆเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยนสายตาเนี่ยตาธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ตาทิพตาอหรอกแต่ว่าตาธรรมดาที่ ตาของผู้มีบุญนะนะตาของผู้ทําบุญไว้ดีนี่ก็เป็นแบบนี้งั้นใครอยากตาดีก็ทําบุญประเภทแสงสว่างไว้เยอะๆนะนะตาก็จะได้เริ่มไม่มีปัญหากุมพัชูก็ทําบุญประเภทแสงสว่างไว้เยอะๆหน่อยถ้าตาชักมีปัญหาก็แสดงว่าทําบุญประเภทนี้น้อยไปหน่อย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 หรือว่าประพฤตสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นสัมมาทิธฐิไม่ติเตียนท่าเรียเจ้าประกอบกรรมด้วยสัมมาทิธฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะนั้นพระองค์เนี่ยทรงเห็นมูสัตว์อย่างนั้นะ่ะด้วยที่พระจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุ ข, ของมนุษย์ย่อมทรงทราบชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนีด <c oughs> <c oughs> <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงประสงค์จะดูโลกาธาตุหนึ่งก็ดีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบร้อยพันมื่นแสนเนี่ยนะโลกาธาตุนี้พระองค์ดูได้หมดเลยหรือว่าโลกาธาตุพระองค์ประสงค์จะดูเท่าใดดูได้ขนาดนั้นก็ทรงเห็นโลกาธาตุเท่านั้นที่ประจักษ์สู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริสุทธิ์อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยที่พระจักสุอย่างนี้มองเห็นได้ไกลขนาดไหนเห็นได้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ดูด้วยอนุภาพของตาทิศนี้มาดูปัญญาจักสุว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยปัญญาจักสุอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระปัญญาใหญ่มีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาเร่าเริงมีพระปัญญาวัยมีพระปัญญาคมกล้ามีพระปัญญาทําลายกิเลส ทรงฉลาดในประเภทปัญญามีพระยานแตกฉานทรงบรรลุปฏิสัมพิธาแล้วถึงแล้วซึ่งเวสารัชยานสี่ทศพลยานสิบทรงเป็นผู้องอาจทรงเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษนากเป็นบุรุษอาชาในาเป็นบุรุษนำธุระไปมียานไม่มีที่สุดมีเดชไม่มีที่สุดมียศไม่มีที่สุดเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากนับว่ามีทรัพย์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 ก็แหละในบัดนี้พระสาวกทั้งหลายเป็นผู้ดําเนินไปตามมัตยประกอบอยู่ในภายหลังอยู่พระผูะ้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรู้อยู่ชื่อว่าทรงรู้ทรงเห็นอยู่ชื่อว่าทรงเห็นเป็นผู้มีจักสุมีญาณมีธรรมมีคุณอันประเสริฐเป็นผู้ตรัสรู้บอกธรรมะเป็นผู้ตรัสบอกธรรมะตรัสบอกทั่วไปทรงแนะนําประโยชน์ประทานอมะตะธรรมเป็นพระธรรมสามีสเสด็จไปอย่างนั้น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 พระยานไม่เป็นไปล่วงบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่ร่วงพระยานธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่สุดของกันและกันลิ้นผอบสองลิ้นเนี่ยนะสนิทกันลิ้นะอบข้างล่างก็ไม่เกินลิ้นะอบข้างบนลิ้นะอบข้างบนก็ไม่เกินลิ้นะอบข้างล่างลิ้นะอบทั้งสองนั้นอะตั้งอยู่ในที่สุดแห่งกันและกันชั้นใด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 โลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในแห่งพระพุทธยานเหมือนปลาและเต่าทุกชนิดโดยที่สุดรวมถึงปลาติมิติมิงคละย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทรปลาทุกตัวมันไม่มีล้นทะเลอยู่แล้วของฉันฉันใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เ<ล>ทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญานก็ฉันนั้น พระพุทธยานกว้างขวางเหมือนทะเละนะอารมณ์ทุกอย่างเหมือนกับสับที่อยู่ในทะเละนกทุกชนิดโดยที่สุดรวมทั้งครุฑสกุลเวรไตเนี่ยนะบินไปในประเทศอากาศชั้นใดพระสาวกทั้งหลายด้วยอ่า น, นะพระสาวกทั้งหลายเนี่ยสเสมอด้วยพระสารีบุตรโดยปัญญาเนี่ยย่อมเป็นไปในภายในประเทศแห่งพระพุทธยานก็ชั้นนั้น ก็ น, นกทุกตัวมันก็บินไปในอากาศนะ น, นะผู้มีปัญญาทั้งหลายก็รวมลงอยู่ในพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะนะพระพุทธญาณย่อมทรงแผ่ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกษัตริย์พรามเครหบดีสมณะที่เป็นบัณฑิตมีปัญญาละเอียดมีวาทะโต้ตอบได้กับผู้อื่นเป็นดังนายขมังธนูยิงขนทรายแม่นบัณฑิตเหล่านั้นย่อมเป็นประหนึ่งว่าเที่ยวทาลายทิฐิเขาด้วยปัญญาของตน